ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายสําหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องบัญชีตุไลเรียกว่าปู่ใหญ่ทราบตามนี้ไว้ด้วยในเมื่อพระญาติ สอบสวนคนที่ไปเป็นเทวดาแล้วก็พักจากภารกิจก็บอกว่า <c oughs> ศรรมพูด Bruto alkuzi, maintaining ket först'ren pinpoint. Questions from the sky 다 boss for everything? zweitens everyoneDoors have to go to the state girl or are they going to Undyoru Wet n commайн? ศรรมพูด Bruto không bị break. Kids who died tomb fixing to come during those moments mantenortunes of them being dead then their people but the same thing is not a problem of doubt. it's just for ทำพระสงฆ์ให้แตกกันหรือว่าทำลาย <c oughs> อย่างนี้เขาจะก็ต้องความจริงเค้าทำบาปมากเวลาที่ทำบุญเค้าทำน้อยแต่เวลาไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงบาปไปนึกถึงแต่ ถ้าจิตเขานึกถึงบุญเขาจะลงนรกทันทีไม่ต้องผ่านสมัครลง ราวนี้เข้าไม่ได้นี้ก็ต้องสอบสวนกันจุลัยก็ถามว่าทําไมท่านปู่เล็กจุลัยอคติบาปเค้าทํามากแต่บุญเค้าทําน้อยทําไมให้ไปสวรรค์ก่อนท่านปู่ก็ ให้ทานแก่สุนัขเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยความเมตตาแต่ว่าในเมื่อเขาออกไปจากบริเวณนี้แล้วบุญทุกอย่าง คิดใจนึกถึงอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิไปถึงถึงนึกถึงอารมณ์ดีก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นแล้วก็ท่าน <c oughs> ดาวหลุมดําดาวหลุมดําได้มีจริงมั้ยเจ้าคะท่านปู่เล็กกับปู่ใหญ่ก็หันมาถามว่าหลานคิดว่าปู่ของเจ้าน่ะเขาจะโกหกอย่างแต่ <c oughs> เรื่องดาวหนุ่มดํานี่มีจริงจุลัยก็ถามว่าดาวหลุม เธอก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโดยกําลังความเป็นทิพย์ของปู่ส่งพอให้ มันเป็นลูกมนุษย์ที่หลานอยู่แต่ความจริงหลายขึ้นมา แต่ก็บอกว่าทั้งทั้งในจักรวาลมีมากขนาดยังเล็กกว่าสวรรค์ชั้นจาตุรมราชที่นั่งอยู่นี้มากแต่ก็บอกใช่ในดินที่จักรวาลทั้งหมดลอยในอากาศทั้งที่มีอยู่ทั้งจะมาเทียบกับเทวเอ่อสวรรค์ชั้นจาตุรมราชก็เทียบไม่ได้สวรรค์ชั้นจาตุรมราชกว้างขวางใหญ่โตมากกว่าท่านปู่ก็บอกหนูเห็นลูกฝนส้ม ที่มันลอยเหนือมนุษย์โลกไหมพอก็บอกว่าเห็นท่านก็เลยบอกว่าผลส้มที่ยี้ยงทําได้ทิศ เออเลี้ยงขึ้นมาทางด้านขวามือนี่ติด คบว่าขอบจักรวาลก็หมายความว่าไอ้จักรวาลจักรวาลของอากาศอ่ะริมจักรวาลของอากาศที่ลงมาจากสวรรค์จากปทะจุดนั้นก่อนถึง <c oughs> แต่ก็ปรับท่านลุงก็ท่านปู่ก็ชี้โดไปทางด้านโน้นทางด้านทิศตะวัน <c oughs> ถ้ามีบริเวณความกว้างก็ใกล้ๆกับดาวหลุมดําแต่ว่า <c oughs> เฉพาะด้านล่างเป็นหลุมเมื่อ แต่จุลัยๆเป็นสิ่งที่มีคุณและสิ่งที่มี <c oughs> มันเป็นโลภที่แตกต่างจากเรื่องอื่นจะถือว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นวัตถุ <c oughs> ฟังกันไปก็คล้ายๆกับศาสนาภะซีอาน แต่ว่าท่านปู่เล่านิทานเรื่องโลกหลุมดําคือดาวหลุมดําและโลชินโลกเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่เป็นพื้น ท่านลุงก็บอกว่ามันตัดคนละสถานที่หลานรักสําหรับดาวหลุมดํานี่เค้าคัดคนมาโดยเฉพาะคํา แต่ก็ไม่ได้เกิดแต่แต่พอที่คน 2 มี 4 ครบและที่มาเกิดในที่นี้ ก็ต้องคิดว่าการเป็นคน <c oughs> กำลังที่มีความดีสูงเย็นนั้นสามารถจะไปสวรรค์ก็ได้ มีความบาสิบริกษรณ์จับอินคนในโลกชัมพูก็เป็นไม่ได้ก็ความ Liberty Gears คำว่าfit reais จะเรียกว่าชินรกเป็นโลกที่เต็มด้วยความชนะชนะความ เออนโนดูลักษณะท่าทางของคนในโลกเราดาวหลุมดําก็มีแขนมีขามีการสามี ไม่ละเมิดพรหมวิหาร 4 มนุษย์ทุกคนจริงๆมนุษย์ ไม่ตั้งใจทรงทรงวิหาร 10 อย่างนี้ก็มี การอiendeรกสาศิล ทรneg รุงใจสบายไม่มีการเย็นสมารธิธรรมจิตเป็นสุขไม่มี หมายความว่าตายจากความเป็นคนจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมบรรนิพพานก็ได้ใช่ไหมท่านลุงก็บอก ความเป็นอยู่บังคับบางทีเงินจะซื้อกับข้าวก็ไปมีจะหาของไปแลกเปลี่ยนกับเขา <c oughs> เมื่อตายแล้วก็มีความจําเป็นต้องลงนรกเองมั้ยกันไม่มีใครก็ผลักดันจุลัยก็เปลี่ยน ทรงความดีสมหมดไว้สืบพระมหาสิทธิกรรมประสิทธิ์ในโลกโลดนี้มี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ่อท่านปู่ก็บอกว่ามีจะไปดูหรือหลานจะนั่งดูตรงนี้จุลัยก็เรียนถามท่านปู่ว่าไอ้การไปดูถ้ามันดีกว่าหรือว่าการนั่งดูตรงนี้ดีกว่าท่านปู่ก็บอกว่านั่งดูตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวอยากจะดูอะไรตรงไหนมันก็ได้ เธอก็เห็นทองคําเหลืองอารามจุดนี้เป็นขุมของเงินบ้าน <c oughs> ถ้าฝาในบ้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามความเป็นอยู่ง่าย <c oughs> ในเมื่อเขามีชีวิตทรงตัวแบบนี้แล้วมันนานแสนนานก็จะตายอายุไขถ้าได้ <c oughs> ปู่ก็มองหน้าคิดอันก็นึกก็เลยพูดบอกว่าเอ๊ะหนูเอ็ง ตุลัยก็อยากบอกท่านได้ถามนั้นปู่ยายจริงก็อยากจะทราบถึงบัญชีบัญชีของท่านปู่ยายเนี่ยมีแล้วก็คนทั้งโลกใช่มั้ย โลกประจัญโลกสังขารลุปศุรโลกไหนแต่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นคนในทินนรกทั้งโลกดาวหลุมดําที่อยู่ในบัญชีดําของท่านปู่มีมั้ยท่านปู่ก็ จุลัยก็บอกว่าหนูเดาๆเจ้าค่ะบันดาลีดำหมายถึงมืดคือ คนที่มีบารมีเข้มขัดสร้างความดีในมนุษย์ 2 โหมดคือเพราะมีหาง 4 กับความบอด 10 บางคนที่ปฏิบัติเฉพาะกระแพ่งนั่นก็หมายความ แล้วจิตอย 4 อย่างนี้เป็นปกติแต่ก็เผลอบ้างบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็ไม่เผลอบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็พลาดแล คนประเภทนี้ตายจากโรคจมพู 10 กับ 4 ก็ถือว่าคนในโลกนี้มีกําลังใจไม่เสมอกันนักนั่นก็หมายความปฏิบัติใน <c oughs> เพราะว่าโลกนี้จริงๆแล้วเค้าปฏิบัติความดีเต็มอัตราๆจะต้องๆเค้า จุลัยก็ถามว่าพรหมต้องอาศัยฌานแล้วคนในโลกนี้ พระจุลัยก็ถามต่อไปว่าถ้า แต่บางท่านไม่กลับเฉพาะโลศจพูลเลยลง 4 ไม่น่าจะไม่ แต่เวลาก่อนจะ 4 และทรงกำปสิฐบุญตัวนี้มีความเข้มแข็งนำเข้าไปสู่โลกหลุมดาวหลุมดำก่อนถ้าอยากเกิด ไม่สั่งสมบารมีต่อสั่งเมื่อบุญความดีขาดตอนบารมีต่อมีความๆคนเพราะอาศัย คือได้ฟังท่านปู่ทั้งสองแล้วก็รู้ อะไรใครนึกถึงความดีได้ก่อนก็ไป ท่านปู่มองดูเวลาก็บอกว่าถึงแล้วหลานงั้นปู่ก็ปู่ทั้งสองขอทํางานต่อไปจิรัยก็ลาท่านกลับอาราธนาท่านพุทธบริษัทเป็นอนุวาทเทศนี้ ขอนึกว่าฟังสมบูรณ์พูนผลจงมีแต่